นักโมตตาพักวัตตุรหัตสัมมาสัมปุตตะนัโมตตาพักวัตตุอรหัตสัมมาสัมปุตตะนัโมตตาพักวัตตุอรหัตตสัมมาสัมปุตตะดิเลนัสุกติยันติ ศีลณโสกโสั้งป่าศีลณนิพุทยันตตัสมาสยังจูทักจีณบัดนี้จะได้อาคิบะในสมบัติของสิบุคคลผู้ตั้งใจในองค์สิลแล้วเป็นคนผู้สะอาด ทางกายทางใจสะอาดทางหุนทางของตนจะไปบนหน้ามันไม่จบปรกมันไม่ผุขะประการใดนะให้เราทุกคนจงคิดอาว่าถินถึงเครื่องประคับประคองถึนเครื่องปกคุมรักบุกคุมรักษาใจของเรา กายของเราบุคคลที่ไม่กินสัญญาตโลขาสิ่งของเขาสมบูรณ์ตั้งเบื้องหลังกันมาตัวของเขามีทรัพย์สินเข้าของเงินทองไม่มีใครเดยเดเยินอิจฉายักยอกต่อคงประกาศใด อันนั้นเรียกว่าสิ่งของเขาสมบูรณ์ตั้งแต่เบื้องหลังและตัวของเขาไปทินใดสถานใดหมู่ใดเหล่าใดมันมีใครเบียดเบียนอิจสาประการใดอันนั้นเิ่นเรียกว่าสิ่งของเขาคุ้มครองมาตั้งแต่เบื้องหลัง ทุกคนผู้ที่ใจองค์อากเแก่กาไม่สะทุกสถานวาสิวในสิ่งสถานใดใจทุกอย่างอันนั้นแปลว่าสิ่งของเขาต่างจะเบื้องหลังจนตลอดในปฏิจบัตจะไปน่ะสีไลยไลยกาประการนั้ ก็ไม่มีการไขสีทั้งหลายจะทำลายเดียเดเบียน ป, ประการใดประการใดอั น, นาจของผีที่เขารัากษาไม่ให้เราทุกคนจงสิดเนักว่าลือสีโยวีเขาอยู่ในป่าในโดงกระมวลศั์ทั้งหลายสัตด์ลายมากที่สุด มีตัวเสืองูสัตว์ลาต่างๆทำไมมีตัวใดจะเบียดเบียนมีตัวใดที่จะอิจษาพยาบาทใดๆอยู่ด้วยกันเป็นสุขตาราตลอดไปอันนี้ท่านเล็กกว่าอันนี้สงของสีมาเป็นมนุษย์แล้ว ตนของตอนนั่นเองสมบูรณ์ในชีวิตสมบูรณ์ในร่างกายสมบูรณ์ในชีวิตนั่นคืออายุยืนสมบูรณ์ในร่างกายนั้นคือไม่เป็นรยะโลภะสมบูรณในศักดิ์สินเข้าของ อันนั้นใดๆไม่มีคนรักจกจกป่อยประกาศใดสมบูรณ์ในการไปมาประกาศใดมีคนขลรกและหนักถือมนมีบุคคลใดจะคิดฟอง้ายประกาศใดกันอันนี้แ น, น่ว่าเรื่องขององค์จรตลอดผู้ที่เขาเป็นเทสะจักร ผู้ที่ศีนสมบูรณ์มาหลายภพหลายชาติมีอำนาจในสวรรค์ในเวลานี้มีเทวบุตรสามตนตนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ตั้งใจอยู่กับพระเกศพุทธะทั้งหลายศีนสมบูรณ์ตลอดการให้ทางอยู่ตลอดไป มาปินเทียวบุตรเวลานี้มีองค์อาจเกี่ยวดาไม่จะทุกสะทะั่งก็การใดที่รละเธอนีสว่างสวยกหมดของเทียวดาลตลอดถึงอินอาตลาเทียวบุตรจนที่สองเป็นผู้อุปถัมภ์ของพรโมกขาลา ขึ่นไปอยูสวรรค์มีลิกอำนาะจรัศมีสว่างไสวไปในทิ้งใดสถานใดแล้วเทศทั้งหลายนี่จะแบ่งปันหนทางหรืออะไรทุกอย่างไปไ ด, ด้ความสะดวกทุกหลากานนี่ไม่มีการขัดข้องประการใดอีกกงที่สาม เป็นลุกิตของพระอนุลุทธมีฤทธาอำนาจอย่างขนาดหนักรัชมีตัวสวยทางสามองค์นี้พระกายกระรูปงามรัชมีก็งามคินก็งามรูปลางก็สวยงามสูงองค์อ แปลว่าอันนี้สงการที่รักษาศญิมาหลายภพชาชาที่จะด้ขิตไปสู่ตรอนได้พบก่าบัณฑิตคือปฏิสุขะพโมคคลาปะอนุรุษเดี๋ยวนี้ทั้งสามองค์เป็นเยวบุตรอยู่บนต่อนอินาทาเิลาได้ําบุญํา ท, ทาน เป็นทุกตะรักษาหินครึ่งวันตื่นเมื่อเช้ามาได้ตายเมื่อยังบระันตายนั้นวันนั้นเป็นวันพระม ห, หากระเสด็จวันนักขจรือทหารและอมมาลาสะบริพานทั้งหลายแห่แห่นกันไปโต๊ะตะแกงเราอุอ้ยหุน้อยรักษาหินครึ่งวัน ก็จะตายในวันนี้ตลอดเนาะนึกอยู่อย่างนั้นแล้วตาโกดิ่งดูพระมหากรร์มีบริษัทบริวารแห่ตลอดไปตาแกก็หมดอายุทันทีหมดอายุแล้วก็รีบเล่งเข้าไปถึงในท้องของพ่อแม่เจ้า ยังบัธฑิมีลูกจะติดคนถึง1ิดเดือนขอดออกมาก็รู้ภาะวะได้หลายเดือนมาแล้วเป็นตีโก็กาบูุพ่อของตนว่าองค์พภะขานี้เป็นทุกตะรักษาสินเครื่อ ง, องวันได้มาเกิดเป็นลูกของป า, ากหาตัดอา เธอจะไปพูดบ่าบอบอเมื่อใส่อย่างนั้นพูดแล้วพูดเร า, สำสาทำําสติยางนั้นหลายครั้งหลายหนจนผลที่สุดไหววอนกับแม่แม่ก็ว่าอ๋อลูกไม่เห็น่ายจริงความจริงอย่างไรเพราะเขาระลึกว่าศาสตร์หลังเป็นทุกขษตร เป็นคนใช้ของเศรษฐีวันนั้นเป็นวันที่จะออกพรรษ า, าแปลว่าคู่คนเศรษฐีหมดบังคนใช้อะไรทุกอย่างไปจำสินฟังเทศพระพุทธเจ้าในเมืองปาราณสีไอคนนี้เป็นคนเล่งโคลคำแล้วจึงไล่โคเข้ามาขอ ตนของตนมาถึงแล้วสามว่าคุณอ่อในโรงครัวก็ไม่เห็นคนในบ้านก็ไม่เห็นใครไปที่ไหนกันหมดแล้วโอ้คนไปฟังเทศ ฟ, ฟังคำรักษาสินพประคุตเจ้าเพิ่อนละกูคนเดียวทันเองเอ ง, เองกูกลับมาบ้านเก่าบานเก่าเลื่อนมึงต้องการอยากิ่อะไรกูจนเธอะหาสินไปตามความขอใจของมึง มันมีใครที่ทำศีลให้มันงศีลแะวันนี้เป็นอะไรเขายังไปเออเขาไปจาศีลฟังเทศศีลมันสป็ปรโยชน์ยังไงเขบยังไม่ออกินข้าวกินปลาเิสีก็ว่าศีลนี่สมบูรณ์ทุกประการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีการาดตกบกพร่องประกาศลานใหญ่ <c oughs> ผมวันนี้เป็นคนทุกข์ตลอดมา ขอรักษาสินครึ่งวันจะได้ไหมครับอ้าวได้ที่ตัวถ้แกก็สกัสมประธานสินตะตสเศษสีสัมประธานสินแล้วสินแกน้ำเพราะนั้นเองแล้วก็สินของหวานเช่นนํำตาลไปนิดหน่อยเวลาเดึกขึ้นมาแล้วเป็นลมจุกท้องขึ้นทันที จนตลอดว่าจะตายแล้วพวกเขาที่มาจะฟังเศษเอาเอาเอาไอคนนี้จะตากอากาศถ้ามันได้รับอากาศให้ดีกำลังของมัน จ, จะเกิดขึ้นอยู่ได้จะค่อยเอาอาหารใา้กินเอาออกหามออกไปตากอากาศพอทุกพระมหาศาตาศจะเก็กวันนั้น แต่แกก็ถึงแกกรรมก็เข้าไปสิงห้องของพ่อแม่เจ้าทันทีเกิดมากระลึกชาติของตนได้จนตลอดความหากริย์ใช้คนไปเลียดท่านทิพีมาท่านทิพีมากราบทุนเล่าประวัติเหมือนกับเด็กรูกของตนนั่นเองเล่าประวัติของตนมาประกาศในใจ ยิงแม่วะลูกฮะขอให้พระองค์จับพระบิดาพระมารดาจงตั้งที่คำบุญให้ทานเจ้าข้าพระอ ง, งค์ในตัวจะได้คำบุญให้ทานจะได้ไม่ได้เกิดใจคนทุกตะอีกต่อไปฤๅดาและใช้อำมาจให้ตั้งสิ่งล้านสำรับกดีตัวของเขาใส่บา ทำหมุนทำทานอย่างนั่นจนตลอดใหญ่จนมาแล้วยิับอับไปก็เลยได้ขึ้นสวยคองลาดเนกอนานเท่าไหร่โรจะของก็ถึงแต่รรมจึงได้ขึ้นไปเกิดเป็นอินชาติราู่เวลาบัตินี้อันนี้เพิ่นเรียกว่าถีงยังไม่สมบูรณ์ เทวบุตรสามองค์นั้นเสด็จไปในที่สามคมประทุมใดๆทุกอย่างพระอินาทาธิราชปิดบรรจรหน้าต่างประการใดๆรัศมีสว่างตกเข้ามาเลยตนของตนเหมือนตะว่าค่อนผ้าหรือสิ่งของอะไรทุกอย่างไม่มีมลัษมีประการใดๆ จนตลอดผลที่สุดแต่ลักขโมยลงมาใส่บาดรพมหาคสปะออกจากในโลธต้องการอยากจะโปลดทุกคนอยากออกในโลดมาแล้วพระอินทร์เทวดาห้าร้อยลงมาใส่บาตท่านพระมหาคสปะมาหาคสปะอาบุากเธอเป็นเทวดาสวยผลของชิด อยู่เป็นสุกตำลาน่าไปแย่งสมบัติของคนทุกข์เราต้องการโปรดคนทุกข์ไปไปไปไม่ต้องมาเทวดาตะพมพาตนกลับคืนไปหาพระอินทร า, ธาจากกูุนว่าท่านพระอินทาไม่ใส่บาตรเลยสองโผเมยจะเป็นลงมากคนี่นิดเป็นไรปลูกอ้อยปูกกล้วยนิดหน่อยไปตามเรื่องก็ต๊อมุญญ่งยาก เมีกก็าผชาขอผ้าและพัดะลับไปผูป ảng, ้โผัวก็สางไว้อ่อนขอมหากระสป่าเห็นมาเออสองตายหญ่อยูยทุกที่แล้วฝากค้วยนิดหน่อยอ้อยนิดหน่อยก็ดูร่วมกันพอนี้จะมีอะไรกินแล้วเนาะยึ่งได้เข้าไปโปรยยืนยูนน้ำภูนางพระอินทร์ ออัน้คือเหมือนพะเทละเจ้าที่พอเหมือนพราเทหละเจ้าที่มันหนหนุยยืนจิตีนน้ผู้โผกระทำข้ามือตั้งโกเคือท่านขอโทษขอพรเถิดท่านยืนนมนานผมคนตาไม่ดีวันเดวนี้หากินเหลืการเลี้ยงปากเลี้ยงฟองสองผู้มเห็นทีแล้วขอให้พระองค์พบเปนเจ้าโปรดเสินทุกประการ ขออาสาธนาเอ้ยเอ้ยผู้อาสาผูอาสาเมจจักการผู้สีนั่งให้ขึ้นไปนั่งนะเาหงเากาย่งหรือเาต้มพวกเราย่างหรือเออย่างดีไปท่นนี่รับทานประกใดๆลวที่เอ้ยเอาอมามาเถอะมันใส่บา่านไล่ะึงได้ยกหมอเขานั้นมาใส่ กินอาหารกุ้งขึ้นมามพราะมหาคัศปัอพระมหากัศปาเอ๊ะทมีบรรดาอินชาที่รากขโมยแล้วนี่โอ้เร็วเราปลดเขาหนีโหลดหวังปลด ท, ทุกคนอยากมอดแย่งสมบัติของเขาติตายอินทาจะใ น, นกาบทูนขอโทษขอกราบพระองค์อยู่บนตะวันเตียวบุตรสามตนมีลิทานุภาพอำนาจกรกฏเตียวบุตรบบทรั้งหลายในตะรั์ ข้าพระองค์เป็นเจ้ผู้มีอำนาจในการปกครองดูแลตนนั่นเองอันนี้พันเรียกว่าศินยังไม่สมบูรณ์ของอินทาติยาเดี๋ยวนี้ลองให้จักลงมาเกิดอยู่หลายครั้งแล้วลงมาบนยังบะเมีไขเป็นผู้ที่แทนที่เขามีผู้แทนแล้วก็สิสุติลงมาเกิดในโลกต่อไป เพราะฉะนั้นในการที่รักษาสินจึงม่ขึ้นคือว่าสีเลนะทุกขกับสิ่งยันติผู้จะไปสู่สวรรค์โดยอำนาจของสิ่ีเลนะโคกับสัมปทาโคาสมบัติอะไรกันแล้วเราได้สิ่งของมามีใครอยากยอกร้อลวงสิ้งละสิ่งราล่าหรือกลุ่นดีสิ่งกาางๆ รูปร่างกายของตนสมบูรณ์ไม่เป็นทายาตัวขาอายุยืนยางไปทช่งไหนสูค่คนนับถือดอดีจะเข้าสังคมใดญ่ๆองค์อาจเกี่ยวกาไม่จะทบสข่าน ว, า, วาดถือประกาศใดจ่ิ่งไม้ขึ้นส่วนศีลแล่ภูกระสับัชะสานศีลเลณนิพพุจริงยันติผู้ศรนบริสุทธิ์สะอาด สิงของพุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วสิ่งห้าสิงแปดสิ่งเจิสอง ร, ร้อยยี่ิบินพปาธิโมกสิ่งอภิสราิษมาจารสามพันห้าร้อยตัวบริมุรณทั้ทีที่สุดอันนั้นเปลว่าสิ่งของอริยเจ้าตั้งแต่ขัน้นปโสดาเป็นต้นตลอดสิ่งไปถิงเป็นพาาระาอารหันต อันนี้คือเรื่องขององค์สินให้เราคิดนะึกทุกคนเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราทุกทุกคนนั่นเองสินยังคุ่มครองอยู่ในจิตในชีวิตของพวกเราทุกคนจึงจะมีอายุพวกเราผ่านความอันตรายตันมาตั้งแต่เกิดมาบุคคลที่เกิดรุ่นราวเขาเดียวเขาตายไปก่อน ยังไม่ได้ทำความดีอะไรผู้ตกวดที่หลังเขาตายไปก่อนยังไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรสักอย่างเกิดมาแล้วตนของตนเป็นคนที่ชินไม่สมบูรณ์ตลอดถึงบุคคลคุขคะเป็นที่ชูดกุดสังหูหนวกตาบอดบา้บาบเสียจิตเสียองค์คะลักษณะราการใดๆทุกอย่างนั่นเอง อันนี้พลว่าถิมไม่สมบูรณ์แปลว่าตนของตนรักษาศีลเป็นประเพณีไม่ใช่ศีลรู้จักว่าเป็นของสมบูรณ์ของบริสุทธิ์แค่ป็นสมบัติอสําคัญเขาถึงจะถึงกับเขาเขาสัมมาทานจะสัมมาทานกับเข า, ข า, าเข า, ขาว่าเขาว่าเข า, ขาอันนี้เรียกพลว่าถิมไม่สมบูรณ์ หินในชกโปกเหมือนคนที่นุ่งผ้ากระติกก่นการทําการงานผ้าชกโปกตีนเหม็นตลอดไม่มีความสะอาดประการใดๆหรือเหมือนกับคนฉันผ่านนุ่งผ้าสีลี่ชกโปกไม่มีใครต้องการแตะต้องหรือนั่งใส่หรือผ่านทางเหนือลงก็ให้ผ่านมันขีนเหม็น นี่ให้เราทุกคนจงพิจนรณว่าตัวของเราทุกๆคนในเวลาปัจจุบันนี้ตนของตนในชีวิตนี้ถิ่นเคยสมบูรณ์ไหมหรือไม่สมบูรณ์เหมือนนางสาวสี่คนได้เท้าไหวน้ำท่วมพบกลุ่มผู้ลสนาหเท่านั้นเองขึ้นไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปสังคมใดๆ เพรตนของตนไม่สมบูรณ์อะไรทุกอย่างสาบพูลพระโมฆลลาว่าขอให้ไปวายสาบพูลพุทธเจ้าอห้เธรได้ถวายน้ำส้มประคุมให้แกอานโนท์พุทธนานหดใจวายใจคล้องกันเมื่อสูอนั้นได้ขึ้นมาบนสวรรค์ก็ไม่ได้ไปสังคมใดๆได้เหมือนกับคนลอื่นเพราะตนของตนนั่นเองไม่สะอาดไม่สวยงาม ไม่ส ง, ง่าเหมือนคนอื่นสิ่งของตนก็ไม่มีให้ทานกะน้ำส้มพุกุมเพราะเป็นยาอันสำคัญผสมแล้วถว า, ายพุทธเจ้าท่องอึดเผยลงได้อยู่ส บ, บายใจสุดอันนี้สงการให้ทานตีสั์นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่า สิ่งสิ่งมันเท raw เป็นของเล่นพุ้ที่องค์ที่ได้วางไว้แล้วเรื่องสิ่ประกันใดๆพุู้ที่องค์เห็นว่าเป็นของมีคุณของมีโทษบุคคลที่ไม่รักษาศิ่เป็นของมีโทษสัตว์เอกสารประกันใดๆนั่นเองมีจะเวีนบาปไม่มีเวีนกูกินมึงมึงกินกูกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูตลอดไป อันนั้นแปลว่าสัตว์ในสารไม่รู้ราวะความดีความชั่วประกาศใดนใจีจตัวของเราทุกๆคนวัดเดียวนี้ที่เป็นมนุษย์อยู่ในพุทธศาสนาอีก ด, ด้วยให้ลึ้ถึงสิ่งของตนอันนั้นก็เป็นผลประโยชน์ของตนหน้าที่ของเราทุกคนอยากเข้าใจว่าที่ย่งยืนถาวรจนโซ่์ฝ่ามิตรลาย ไม่นานก็น่อยก็ตายไปคนนั่นตายไปคนนี่ตายไปตายไปแล้วสมบัติที่จะเกิดขึ้นอานิสงส์ของสิลสมบัติที่จะเกิดขึ้นของให้ทานสมบัติที่จะเกิดขึ้นการฟังเทศสมบัติที่จะเกิดขึ้นการทั้ความโรภสมบัติที่จะเกิดขึ้นการเห็นวิญญารด่าสมบัติที่จะเกิดขึ้นเป็นคนสัมมาทิฏฐินักสีพุทธศาสนา พุทธัทงสารนางสามีพระพุทธเจ้าเป็นชนะของข้านัที่เมเสารนางอัยังข้าไม่ถือนาทิอันอืน่นถือพุทธะธรรมะสังฆะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของข้าเป็นอันประเสริฐของข้าที่กระลบของข้าตนของตนคนคิดคนอ่านคนพิดเจรณญมาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ ตนของตนนั่นเองเป็นมนุษย์แล้วภพววพุทธศาสนาของพุทธะที่วางไวแ้ววไวแล้วองค์ของสิงวางไว้แล้วองค์ของประตูพระสิงหนั่นเป็นหลักพิธบุตรประตูนั้นแปลว่าที่บอกหนทางความดีและความชั่วก็การใดๆพระอภิธรรมนั้นแปลว่าให้รู้จักว่าใจของตน มีความสุขด้วยความทุกข์ประการใดใจใจของเราสะอาดที่ชุกกระเดประการใด ใ, นใอันนี้เพขาเรียกว่าอภิธรรมนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนในเลาบเทนี้คนรคิอ่านคนทวรคิดนานใครจะรู้ว่าตัวของเราจะอายุยืนต่อไปเมื่อายข้นหน้าตายแล้วไม่ได้ผลอะไรสารีละหลางกายอันนี้ ว่นเดียวนี้ใจเป็นจบของควรที่รักษาควรตั้งใจควรปฏิบัติคนละลึกถึงความดีของตนตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจงสิตเหนือเรื่องขององค์สิ่เป็นผลประโยชน์ได้มากที่สุดรู้สีหรือดาวด เหล่านั้นแปลว่าพูดตั้งใจรักษาสินของตนจึงได้ไปสู่ขมมโลกผมตลอดพุดทธิลุบหลังกายงามรัศมีสว่งสวยตลอดเป็นนิจการนางอุบลวรนาวนาพูดที่รักษาสิมามากหลายภพหลาชามาชีวิตสุดท้ายเศรษฐีก็ว่าจะเอาเป็นเมีย ความทั้งหลายก็ว่าเอาจะเอาเป็นเมีก็สัตว์ใดๆก็มาดูแลก็อาจจะเอาเป็นเมีต่างคนตั้งบ่อยอมต่างคนตั้งใจอยู่ตลอดสิ่นี้พอก็แม่ได้จกลงว่าลูกเอ๋จะทําอย่างใดจะบวชได้ไหมนางรับว่าบวชจะบวชอยู่ตั้งใจคิดอยากจะบวชกว่อย่างอื่นหมดไม่ต้องการขอบครัประการใดๆ ยิงได้เอาไปฝากไว้กับพิคูลนึ่เลยได้บวชเป็นพิคูลนึ่บุพกรรมของตอนอีกข้าวหนึ่งในยุคส ม, มัยพระเจ้าสิทัถะอัตโมโลเกตและจะเป็นลูกน้องของพระอินทาทิราชอินทาทิราชได้แต่พุทธเจ้าโคตมะของหลังไปรับรองข้องร้องเพ็งเป็นคนที่เต้นลำ าบาปกรมอ น, นั้นยังไม่หมดไมเพียงมาเกิดเป็นนางอบุญลวันนาแล้วนั่งทักขุมมารไปคงขืนทันทีจึงได้มีวัดอยู่ในบาาเป็นวัดของพิฆูณีวัดในป่าเป็นวัดของพิฆุโนพุทธโอ่งในสงวนหยัดให้สร้างวัดในปาาไม่ออกนอกบาาเป็นอันตรายประการใดจัก พราะบุปกา ร, รของตอตตนแต่เมื่อข่าวเต้นลัมในหนึ่งหมืนปีรอยทีเมืองมนุษย์เป็นวันหนึ่งของตะวันไปเต้นลัมให้พุทธเจ้าทําอย่างนั้นได้หนึ่งมื่นปีผีที่หมืนที่เจ็พดพระเจ้าผีจี่พรนั้นอายุยืนแสนปีอันนี้ให้เราทุกคนจงติดนึกว่า สิ่ของตนไม่สมบูรณ์ในยุคสมัยนั้นยังมีโทษตลอดมารูปร่างที่สวยงามที่สุดสิ่ของตนที่ทํามาแล้วอันที่ไม่ได้ของตนที่ได้ทาสิ่งไม่ดีไว้แล้วจะไม่เกิดโทษเกิดภันั้นธรรมนุษย์ได้ปบปกปลุกปั้มคงขืนแต่นางไม่เข้าในอดเลยดับไปเลยไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นชนะ นันทยัตนันทมโนคทคำสมเร็จเจ้าเดินออกไปในเขตเก่าแตนิสุสิสันทรีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าเรื่องการรักษาศีลศีลเป็นผลประโยชน์ใหญ่มากศีลเป็นสมปัติอันสําคัญศีลอันดีที่สุดพรมนรอบเห น, นือเสนีตวตันสวเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนคิดทำ ในชีวิตวันเดียวนี้ตัวของเราพบปะพบศึศาสนาแล้วควรให้มีศิลปะคุ้มครองตัวเจ้าของจึงได้ขึ้นื่อว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์สักเทวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาใจนี้จากร่างกายนี้ก็เทพเจ้าเกิดขึ้นกันทีบุญกุศลตกแต่งผู้ปฏิกัติอนาจเกิดขึ้นไดยบุญกุศลกันทีเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่าน ในการที่ตนของตนละเล่นจริงความโั่วในตัวเจ้าของจึงจะเป็นผลประโยชน์เล่ถือว่าประเภทนี้เล่นถือว่าการเล่นถิ่นเป็นขอเขาเล่นอยู่อย่างนี้ประเภทนี้ก็ทํต่า ง, งไปไม่ใช่อย่างนั้นถิ่นเป็นขางสมบัติอันสำคัญที่เกิดที่เกิดเป็นมนุษย์พบว่าพุทธศาสนานี่ละที่อาตมาได้แสดง นี่นักแปลมีความสำค